ต่อไปนี้คณะสงฆ์วัราชอราสารามจะได้สวดมนต์ตามหนังสือธรรมวัดสวดมนต์แปลสำหรับอุบาสกอุบาสิกาซึ่งจัดพิมพ์โดยบุญญนิทิทิหอไตรวราชอราสารามเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุพรนษาแปดสิบพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๕ธันวาคมพุทธศักราช2550จะเริ่มสวดตั้งแต่หน้าสามบทนำกลับพระรัตนตรัยพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณตัดสรู้ดีตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณทรงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาคุณทรงสั่งสอนเวไนนิกรทุกท่วนนาเป็นนาถาอันเอกของโลกข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะลาหางังสัมมาสัมพุทโธพระขวา พุทธังพระควันตังอภิวัเทมีกราบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมอันประเสริฐทนต่อการพิสูจน์ทุกการทุกสมัยเป็นนิยานิกรธรรมสามารถน้อมนำผู้ประพฤติธปฏิบัติให้พ้นจากทุกขประสบสันติสุขได้จริง ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระธรรมอันประเสริฐนั้นสว่างข้าตพระขาวตาธรรมโมธรรมังนามสามีกราบพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติตตตตชอบ เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงและมีผลประเสริฐจริงเป็นศาสนาญาตสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาตราบเท่าทุกวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมนมัสการพระสงฆ์หมู่นั้น สุปฏิปันโนภควะโตสาวกาสังโฆสังขังนมามิกราบถ้ามีเครื่องสักการะบูชาคือดอกไม้ทุกเทียนให้ว่าอิมินาส ก, การหนกพุทังอภิปุชยามิ อิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปุชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปุชยามิต่อไปกล่าวคำนมัสการพระพุทธเจ้าว่าสามหน นาโมตัสสะพระค่าวตุอะระหัตตุสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคตอะระหัตตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคตอะระหตสมาสัมพุทธัสสะ